สวัสดีครับพี่น้องครับเราต่อจากเมื่อวานนี้นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของชีวิตพระเยซูตอนที่52แล้วนะครับก็คือการอัศจรรย์ครั้งที่สองนะครับของพระเยซูที่ได้กระทําที่หมู่บ้านคานาแต่ไปออกฤทธิ์อยู่ที่คาเปอรนาอุมครับอย่าลืมนะครับว่าพระเยซูสามารถที่จะรีโมทคอนโทรลได้ครับในขณะเดียวกันเราทั้งหลายหรือผู้ที่รับการอัศจรรย์นั้นต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อน ก่อนที่การอัศจรรย์นั้นจะเกิดพี่น้องครับท่า น, นที่พระเยซูประทับอยู่ที่คานาพระเยซูทรงสามารถที่จะสั่งให้คนไครนั้นหายโรคได้นี่คือสิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูพระเยซูปรัถนาที่จะให้คนที่ติดตามพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่ชอบดูของใหม่ของแปลกของอัศจรรย์นะครับแต่พระเยซูต้องการให้เขาติดตามพระองค์อย่างจริงจริงจังๆครับอย่างจริงจังมากด้วยความเชื่อ พี่น้องครับเราจะต้องไม่เลิกลาในการอ้อนวอนพระเยซูอ้อนวอนองค์พระ เ, เจ้าในความปรารถนาความต้องการจําเป็นของพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับในข้อที่ห้าสิบของพระมพัทธย์ยอห์นบทที่สี่นะครับได้บันทึกว่าข่ารการที่เขาขอพระเยซูให้รักษาเดินทางไปรักษาลูกของเขาที่ทับวนใอุม้มพระเยซูบอกว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายข่ารการผู้นี้นะครับเชื่อ พระดำรัสของพอระองค์อองนะครับและทูลลาพระเยซูไปข้าราชการผูนี้เชื่อพระดำรัสของพระเยซูที่ตรัสกับตัวเองด้วยความเชื่อนั้นเขาแสดงออกด้วยการทูลลาไปเขาออกเดินทางกลับไปที่คาเปอร์ น, นาอูมนะครับทันทีเพราะเชื่อที่พระเยซูตรัสว่าลูกของท่านจะไม่ตายในข้อที่ห้าสเอ็ดครับระหว่างทางกลับไปที่คาเปอร์ น, นาอูมนั้นเขาก็พบกับคนใช้ ซึ่งเดินทางมาเพื่อแจ้งข่าวว่าลูกของนายหายป่วยแล้วพิธาทรัพย์เราจะเห็นนะครับความตื่นเต้นแรกนะครับเกิดจากการที่เขาได้ยินว่าสิ่งเทเี่เบซูสั่งการรักษานะครับแบบปรีโหลคอนโทรลเนี่ยได้เกิดขึ้นจริงครับข้าราชการนั้นจึงถามบ่าวว่าลูกเราอาการผู้เราดีขึ้นตั้งแต่ยามใดบ่าวชึงเรียนให้เขาทราบว่า เมื่อวานนี้ยามเจ็ดลูกชายสั่ไข่แล้วยามเจ็ดครับพี่น้องครับตรงกับเวลาไหนของชาวยูวครับยามเจ็ดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตรงกับเวลาไหนของชาวยูวครับยามเจ็ดเทียบเท่ากับเวลาบ่ายโมงของพวกเราครับเวลาบ่ายโมของพวกเราเพราะว่าเขาเริ่มนับนะครับชั่วโมงแรกนะครับที่เท่าไหร่ครับ ที่เจ็ดนาฬิกานะครับแล้วก็บ่ายโมงก็เทียบกับทเทียบเท่ากับเจ็ดเจ็ดโมงนะครับหรือยามเจ็ดของพวกเขาเพื่อนครับจากข้อนี้เราได้เรียนรู้ถึงสิ่งอื่นๆด้วยที่สำคัญมากในเมื่อเยซูตรัสว่าเด็กนั้นจะไม่ตายเป็นเมื่อวานแสดงว่าขา้าราชการนั้นแวะพักแรมหนึ่งคืนใช่ไหมครับคงจะมีเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับทั้งคืนในการคิด อาจจะเครียดด้วยขึ้นคิคดคุ้นคิดถึงคําสัญญาของพระเยซูเขาอาจจะมีความเครียดว่าทําป็นไงนะหากว่าลูกของเขาไม่หายเขาอาจจะสงสัยว่าพระเยซูทรงหมายความตามที่พวงจัดหรือเปล่านะถึงกระนั้นก็ดี่าสารผู้นี้จําเป็นที่ต้องเชื่อว่าพระเยซูได้ทรงรักษาลูกของตนแล้วเพราะเขายังไงเขาก็ต้อง เชื่อเพราะเขาแสดงออกของความเชื่อของเขาด้วยการเดินทางกลับเดินทางกลับบ้านพี่น้องครับในขณะที่เรานั้นมีความเชื่อแน่นอนครับโดยความมีเหตุมีผลของเราหลายละคนอาจจะต้องสงสัยอาจจะมีความสงสัยว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือพี่น้องครับพระเจ้าเล่นทรงเริ่มต้นการดีพระองค์ได้ปลูกความเชื่อไว้ในชีวิตของเราแล้ว ขอให้เราที่จะรักษาความเชื่อนั้นต่อไปโดยพึ่งพากําลังที่มาจากพระเจ้าครับในวิถีแห่งความเชื่อที่เราดําเนินไปแต่และวันแต่และวันนั้นเป็นสิ่งบอกเหตุหากเราเดินเริ่มต้นเดินนะครับเราจะต้องเดินให้สําเร็จเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังการเดินโปร่งจะทรงโปรดเสริมกําลังเรียลแรงให้กับเราทั้งหลายผู้ที่จะเดินไปตามทางของโปรง่งเป็นอย่างขอให้เรามีใจตั้งใจและเชื่อฟังโปรง่ง ตรงก็จะนําเราครับพี่น้องครับผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือข้าราชการคนนี้ซึ่งเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับได้นําคนในครอบครัวของตัวเองมาเชื่อพระเยซูด้วยในข้อ53ของพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับได้พูดไว้นะครับได้บันทึกว่าทุกคนในครัวเรือนก็เชื่อพระเยซูพี่น้องครับนี่เป็นการอัศจรรย์ครั้งที่2ครับที่พระเยซูทรงกระทําและการอัศจรรย์ครั้งนี้ครับข่าวก็คงลือสะพัด แพร่ไปทั่วกะรีลีครับเพราะเนื่องจากว่าข่าอาชการท่านนี้เป็นคนสําคัญคนหนึ่งของวงการเมืองหรือวงการปกครองในแคว้นกะรีลีี่น้องครับในการอัศจรรย์ครั้งนี้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับการอัศจรรย์ครั้งแรกการอัศจรรย์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่ที่หมู่บ้านคนาครับแต่การอัศจรรย์ครั้งที่สองครับเกิดขึ้นที่คาเปอร์นาอูมแต่พระเยซูประทับที่คนาการอัศจรรย์ครั้งแรกนั้น เปเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นการอัศ จ, จรรย์ครั้งที่สองนะครับเด็กหายโรคมารดาของเปเยซูทูลขอให้พระองค์ช่วยในการอัศ จ, จรรย์ครั้งแรกโดยการเปลี่ยนน้าให้กลายเป็นเหล้าองุ่นแต่ครั้งนี้ครับค้าราชการเองทูลขอให้ลูกชายตัวเองให้เปเยซูรักษาเขามีใครรู้ครับการอัศ จ, จรรย์ครั้งแรกนั้นคนใช้รู้ครับการอัศจรรย์ครั้งที่สองข้าราชการและครอบครัวเขารู้ ผลของการอัศจรรย์ครั้งแรกนั้นก็คือว่าข่าวเรื่องลือไปเพราะผู้คนโจทกันงานสมรสดําเนินไปด้วยดีผลของการอัศจรรย์ครั้งที่สองนะครับข่าวเรื่องลือไปเพราะผู้คนโจทกันเหมือนกันครับและเด็กชายนั้นก็หายโรคครอบครัวของครับครอบครัวของอข้าราชการที่คาร์เนาอูมนะครับเขาเป็นผลพวงนะครับแห่งความการอัศจรรย์ของพระเยซูและเขามีความชื่นชมในดีนครับพี่น้องครับ ให้เราเข้าใจนะครับว่าความเชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอัศจรรย์ครับผม อ, อยากจะถามพี่น้องว่าครสัสการ์ผู้นั้นเชื่อก่อนหรือหลังการอัศจรรย์ครับคำตอบก็คือเชื่อก่อนการอัศจรรย์นะครับเพราะเขาทุนลาไปความเชื่อของเขานั้นหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นหลังจากที่เขาทราบข่าวทุกชาติของตนหายป่วยแล้วนี่เป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราครับ ที่มีความเชื่อแบบคริสเตียนเราได้รับการเรียกร้องให้มีความเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า <c oughs> พระเยซูทรงชี้มชนแมเเ้เขียนเพื่อความผิดบากของเราเพื่อเราจะเชื่อและรับชีวิตใหม่ชีวิตนิสันหลายข้อหลายตอนในเพื่อนพีนะครับสอนเราให้ถึงความจริงนี้และเรายอมรับความจริงนี้โดยปัสจากข้อพิสูจน์ที่มองเห็นด้วยตานี่เป็นความเป็นการเชื่อโดยความเชื่อครับเป็นการเชื่อด้วยความเชื่อโดยใช้ความเชื่อ นะครับจากนั้นชีวิตที่เสียงก็เริ่มต้นอ่านพระวจนะของพระเจ้ารับพระสัญญาของพระเจ้าอธิษฐานและความเชื่อของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนสวีมากขึ้นเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อเห็นพระเจ้าทรงกระทําการในชีวิตของเรานี่คือประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อเรายิ่งเชื่อนะครับเราจะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งเชื่อเราจะยิ่งรู้จักพระเจ้าเมื่อเรายิ่งเชื่อเราจะสัมผัสกับลักษณะของโปร่ง พี่น้องครับผมอยากจะฝากพระวจนะพระเจ้านะครับในพระธรรมฟิลปิปปีบทที่สี่ข้อสิบเก้าครับพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารคที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูเจ้ า, าพี่น้องครับเราเชื่อในคําสัญญานี้หรือเปล่าครับสิ่งที่เราขาดอยู่นั้นสิ่งที่เราอยากได้นั้นบางทีก็ไม่เหมือนกันครับแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ขาดอยู่เป็นความจําเป็นควรมีความต้องการที่ขาดอยู่ พี่น้องครับความเชื่อคืออะไรครับความเชื่อคือฮีบรูบ11หนึ่งนะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเราท่องพร้อมกันนะครับหลายหลาคนท่องได้นะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเราเชื่อลึกซึ้งแค่ไหนครับดูได้จากว่าเรานะครับ เชื่อแค่ไหนทั้งที่เรายัางไม่เห็นหรื อ, อยังไม่อาจเห็นได้ณนะเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแทรกทุกท่านครับให้เรามีความเชื่อใหเรามีความศรัทธาในพระองค์และให้เรามอบทางของเรานะครับในวันนี้ให้อยู่ในการอ่านจงนำของพระเจ้าให้อยู่ในความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่เราขาดอยู่นั้นจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์อาเมน